เรื่องความสุขของโลกโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมากล่าวเพราะว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาล่าสมัยทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีความรักตัวกลัวตายเบื่อนหน่ายต่อความทุกข์แล้วก็ปรารถนาะต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้น ตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นไปอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยมดตัวเล็กๆมันก็ปรารถนาะความสุขของมันทีนี้จะมาพูดครอบจะกรวาดว่าความสุขของโลก้คําว่าความสุขของโลกนะั่นก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่นก โนูปูปีกตั้งแต่สัตว์ในนิ่มบนบกใต้ดินบินอยู่บนฟ้าตลอดทั้งมนุษย์และเทวดาเชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่ปรารถนาความสุขและความสุขนั้นจะเพล่งได้เพิ่งมีโดยวิธีใดประการใดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ ถ้าดูให้ดีๆเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไปกับความต้องการความปรารถนาความสุขของมนุษยชาตินั่นเองปัญหา น, านานาประการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกันโดยรูปแบบใดก็ตาม นั่นก็เกิดขึ้นมาจากความสุขควายเข้าใจไว้คือมันมีเงื่อนไขต้นเหตุมาจากการสแสวงหาความสุขเมื่อไม่ได้ดังใจก็โกรธก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อได้มาแล้วก็หึงหวงใครจะมาทำให้ตนเองสูญเสียจากสภาพนั้นก็โกรธก็เบียดเบียนกันเดี่ยวเราจะเห็นได้ว่า การดิ้นรนของจิตที่เร่ารอ้อ น, นก็เพื่อจะไปสู่ความสงบเพื่อจะไปสู่ความสุขนั่นเอง <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการที่จะดิ้นรนไปสู่ความสุขความสงบความพอใจของตนเองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสไว้ คำหนึ่งสันส้นๆ <c oughs> แต่ก็มันกินความหมายมากท่านบอกว่าสุขโตวาพิกเวโลเกติธมาโนสุขตะวินายโยทิตัสสะภูชนะสุขาย ะ, ะหูชะะอัถยาหิตายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่ทาคดก็ดีระเ บ, บียบวินยัยคำสั่งสอนของเราแต่ทาคดก็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก่ อ, อให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นความเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่เพียงนั้นใจความง่ายๆของพระโสดนี้พระบาลีนี้ ก็พู้เข้าใจง่ายๆว่าโลกจะมีความสุขได้เพราะว่าโลกนั้นมีศีลธรรมมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเหลืออยู่ในจิตในใจประพฤติปฏิบัติตามได้เท่าไหร่โลกก็มีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่เฮียงนั้น <c oughs> ท่านนัรลายจะเข้าใจว่า คำพูดนี้ทําไมมันง่ายเหลือเกินอะไรอะไรก็มาลงที่ศีลที่ธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมมัสรวั น, นะเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีว่าวันที่เราจะต้องฟังธรรมเป็นวันที่เราหยุดงานเป็นวันที่เราเข้าวัดเข้าว่าพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุขนั่นเองเหมือนกันเหมือนกัน ท, ที่ทางรายการวิทยุก็มีรายการธรรมะ ไม่ว่าสถานนี้ใดๆก็มักจะมีในวันพระอย่างนี้เสมอเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทดธดเจ้าท่านบอกว่าจะนำความสุขมาให้แก่โลกโลกานุกรรมปะยะอนุเคราะห์แก่โลกเทวามนุษย์สานางทั้งเทวดาและมนุษย์นี่มันครอบคุมไปถึงขนาดนั้นไม่ต้องกล่าวไปถึงสัตว์ ตัวแดงแมงตัวน้อยแม้แต่เทว ด, ดาบนสวรรค์แล้กับมนุษย์เดินดินแล้วกสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้จะได้รับความสุขความสงบร่มเย็นเพราะเหตุแห่งความมีธรรม่อาตมาก็เลยจะขอขยายเนื้อความต่อไปท่านในหลายลองคิดดูว่ายังพึ่งเชื่ออาตมาก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าอะไรอะไรก็เอาแต่ธรรมมาคุย โลกจะสงอบร่มเย็นก็ อ, อยู่ที่ทำมะโลกมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะมันขาดทำมะเอารับเอาเปรียบกดขี่ข่มเพ้งลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกสิ่งไม่เขารบ ก, กูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนในสังคมเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาซึ่งกันและกันไว้ใจกันไม่ได้ทั้งหมดนั่นเพราะมันขาดทำขาดสินขาดทำในจิตในใจผู้คำนี่ท่านทั้งหลายอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ว่าอะไรอะไรก็มาลงที่ทำอะไรอะไรก็มาลงมาที่ศิน เฮอาดมาไม่คิดว่าอะไรมันจะดีไปเกินนี้นั่นก็จังเชื่อมั่นที่ประพุทธเจา้าท่านพูด阿าลองมองกว้างไกลออกไปอีกทีหนึ่งว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญมากเจริญนึกขนาดว่า อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จะพูดกับคนที่คงเทพก็ได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเราจเจริญเมื่อสมเทวนาบนสวรรค์เลยนี่มีหูทิพมีตาทิพจะคุยกับใครยกหูโทรศัพท์คุยกันได้ทั่วโลกทั่วโลกไม่ใช่จัตประเทศอยากจะดูอะไรเปิดโทรศัศน์ดูรายการอะไรอะไรมันเห็นกันไปหมดเลยเต่มันเหมือนกับหูทิพตาทิพขัดย้ายประสิทธิภาพ ของปราสาทของอินทรีย์ให้กว้างไกลออกไปแต่ก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพพ่อแม่ของเราเพื่อนบอกว่าไปขายขั้ยไทยไปสินไปขายงัวตางงัวไทยไล่งัวไล่ควายหลังจากข้าวขึ้นนาปาขึ้นบ้านพวกนายห้อยหางหลายก็ไล่ควายไปจากลุ่มแม่น้ำสงคามลุ่มแม่น้ำโค้ง ร่วมในน้ำของนายห้อยถ้าจะเว้าแบบทางที่น้องบ้านของราดมานนะเป็นเยื้ะทางสี่สงคามทางท่าอูเทนทางนี้นาว่าด่าว่ากันอย่างนี้นายห้อยไปขายควายนู่นทางภากลางอยุธยาป่าโมกอ่างทองสิ้งบุรีสุพรรณชัยนาทกรุงเทพสะเชิงเทา ไล่ไปเป็นฝูงฝูงข้ามปีเลยข้ามดงพญาเยน็นดงพญาไฟนั่นนั้นสมัยก่อนโน้นเดนนี้จับขึ้นรถสิบโอวิ่งไปคืนเดียวถึงแล้วขายเสร็จตอนเย็นตีกลับมาแล้วนับเงินจะกระเป๋ากลับมาแล้วเดือนหนึ่งได้ดังไลยเที่ยวเอาไปไม่รู้กี่ฝูงขึ้นรถยนต์ขึ้นรถไฟไปได้นี่มันจเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีก้าวไปไกล จเจริญทึกระนาดนี่แหละแต่ท่านทั้งหลายเอ๋ยดูให้ดีๆเถิดความจเจริญเหล่านี้ทำให้เรามีความสุขไหม่อาจมาอยากแกพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอันหนึ่งว่าความสุขกับความสะดวกสบายไม่ใช่อันเดียวกันความสะดวกสบายนั่นมันเป็น สิ่งที่เอื้ออำนวยโอกาสให้ได้รับความสุขได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแต่ความสะดวกสบายนั้นยังไม่ใช่ตัวความสุขอาจจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความทุกข์ก็ได้ถ้าไม่เข้าใจมันเดี๋ยวนี้เรานอนเย็นๆเราจะไปกรุงเทพขึ้นรถบัสรถทัวรดวีไพีนอนหลับสบายไปกินข้าวเช้ากรุงเทพ หรืออยู่กรุงเทพไปกินข้าวเที่ยงเอาเชียงใหม่ก็ได้หรือจะไปที่ประเทศอินเดียไปกินข้าวตรงโน้นก็ได้บินไปสี่ห้าชั่วโมงถึงอินเดียถึงชมพูทวีป บ, บ้านเกิดพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เราน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองน่าจะมีความสุขมากแต่ยิ่งดูไปแล้วยิ่งเห็นว่าคนในสมัยนี้ไม่มีความสุขเลย มีความสุขน้อยมีความสุขยากอาจามาใช้คาว่ามีความสุขยากและก็มีความทุกข์ง่ายมีความทุกข์ง่ายอะไรอะไรมาให้ทุกมันไม่น่าจะทุกเราก็ทุกทุกวันเนี่ยสิ่งที่จะเอื้ออำนวยความสุขมีเยอะแยะไปจะไปที่ไห น, หม <c oughs> น <c oughs> ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเมื่อก่อน นั่งรถติดแอร์ประากาลรถโดยสารอย่างบ้านอาตมาจะเดินทางไปวานนอนนิวาดเนี่ยจะต้องเดินกันทั้งวนันเดินกันไปหาสิ่งของไปขายซื้อของหาบกลับเขินมาในสมัยนูน้นแต่คนในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นมีความสุขได้ง่ายเพราะมีความทุกข์ยาก คิดดูในสมัยพ่อแม่ของเราไม่มีเงินฝากธนาคารกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ชีวิตมีความสุขได้ง่ายข้าวขึ้นนาปาลาขึ้นบ้านหาปูหาปลามากินชีวิตจะเอื้ออานวยต่อกันฉันพี่ฉันน้องอบอุ่นอยู่ในวงสังคมเหมือนอยู่ในอ้อมกอด แห่งเครือญาติอันเดียวกันโน้นบ้านพี่นี่บ้านนอ้องปองดองกันหนักหนาอย่างนี้คนสมัยโบราณเป็นโรคพยาธินี่ก็มีไม่มากเหมือนทุกวันนี้หมอก็ไม่มากยาก็ไม่มากแต่โรค ก, ก็มีไม่มากคนมีภูมิต้านทานต่อโรคภยัยไข้เจ็บมากแต่คนสมัยนี้เดินก็ไม่ได้เดินนั่งรถเก๋งติดแอร์นั่งรถโดยสารไปไกล น้ําก็ไหลไฟก็สว่างจนถึงยุคที่เรียกว่า ก, กดปุ่มยุคพุชปัตเตนเอเนี่ยเราน่าจะมีความสุขมากแต่เรากลับเป็นผู้มีความสุขยากยากที่จะมีความสุขทีดดูแต่ก่อนเราใต้กระ บ, บองเราจุดตะเกียงใต้กระ บ, บองกันเราก็ยังมีความสุขใจสบายทุกวันนี้มีไฟฟ้าไฟฟ้าดับก็ไปทุก ไฟฟ้าดาวก็เป็นทุกข์อะไรเลยมันจะพังไปหมดแม้ค่ะวันไหนมวยตู้โชคถ้าวันไห น, น, ไหนเขามีการชิงแชมป์โลกเกิดไฟฟ้าดับเอาแล้วเป็นทุกข์ให่เป็นทุกข์เกิดจะเป็นโรคประสาปตายไม่ได้ดูมวยในสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าความทุกข์ค น, นก็มีน้อยนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เรากําลังแสวงหาความสะดวกสบายความฟุ่มเฟือย อยากจะมีรถมีเรือขี่สะดวกสบายมีโทรทัศน์ได้เปิดดูรายการต่างๆมีสเตอริโอมีพัดลมมีถู่เย็นได้กินของอร่อยน่าจะมีความสุขมากแต่เราก็มีความสะดวกสบายมีความสุขายนิดเดียวแต่จิตใจนั้นเล่าร้อนมากเลยมีความทุกข์มาก ไฟฟ้าดับดับปิดๆิดโอ้ตู้เย็นฉันจะพังชิไฟายไวรยบอดแล้วอะไรต่างๆกาลังดูรายการอะไรมันไฟดับลงไปอ้าวเป็นทุกข์อีกแล้วคนทุกวันนี้เป็นทุกข์ง่ายมิจฉาสิ่งที่จะนำความทุกข์มาให้ทั้งหมดนี้เพราะอะไรเราดูเธอยอมรับหรืออย่างว่าเราขาดสินขาดธรรมกันทำแปลว่าสิ่ง ทำแปลว่าเหตุทำแปลว่าผลศินแปลว่าปกติเมื่อเอาศินกับทามารวมกันก็หมายถึงเหตุให้เกิดความปกติผลอันเกิดมาจากความปกติสิ่งที่เป็นปกตินั่นเรียกว่าศีลธรรมเดียวนี่มันไม่ปกติมันผิดปกติไปหมดคือมันไม่มีศินมันไม่มีธรรม สินธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจมันได้หมดไปหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวโลกก็เลยขาดความสุขทั้งๆ ท, ท, ที่สะดวกสบายความสะดวกสบายนั่นไม่ใช่ตัวความสุขเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสุข ก, ก็ได้หรือความทุกข์ก็ทุกข์อย่างมหันอีกเช่นเดียวกัน ส่วนความสุขนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่สงบประงับรู้จักตนเองไม่เล่าร้อนไม่มืดมนกบวนกบวายเป็นเวราทุกวันนี้เราไม่สนใจความสุขทางด้านจิตใจคนเราไปสนใจความสุขทางด้านร่างกายสนองตอบทางกายทางวัตถุทางเทคโนโลยีใหม่ๆกันขึ้นมา สมัยก่อนคนเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเราอยู่กันกับธรรมชาติหาอยู่หากินอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติฝนตกมาทาไร่ทานาฮะปูปลากรบเกียกินตามธรรมชาติคนก็ไม่มากอย่างทุกวันนี้มันก็เลยอยู่กันสงบรางับแต่ในสมัยนี้ เราผิดปกติผิดปกติคือมนุษย์ได้วิวัฒนาการได้เจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นคือเจริญทางวัตถุคิดว่าจะแก้ไขปัญหาทางวัตถุไปได้ปัญหาทางกายไปได้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นความสุขก็คงจะมีแต่ยิ่งมีความสะดวกสบายก็ยิ่งมีความ ไกลห่างความสุขมากขึ้นมีความสุขได้น้อยลงมีความสุขยากแต่ก็มีความทุกง่ายอะไรอะไรมาให้ไม่น่าทุกก็ต้องทุกข์ไม่เหมือนคนโบราณคนโบราณมีความสุขได้ง่ายไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุขไม่มีนี่ไม่มีสินมีความทุกข์ยากมีความทุกข์ยากคนโบราณเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราได้มีความทุกข์ง่ายมีความสุขยาก แต่ก่อนดูโทรทัศน์ขาวดําก็มีความสุขใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความสุขโทรทัศน์ขาวดําเซ็งเบื่อหน่ายต้องโทรทัศน์สีต่อไปโทรทัพน์ธรรมดามันก็เซ็งเองมันมีความทุกข์มันต้องวิดีโอเกมจะจะมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เมื่อมันอยากได้สิ่งมาสนองความต้องการมากขึ้นมือต้องดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหา เพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มาอํานวยความสุขแต่เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงได้าหากจิตใจของเรายังไม่รู้จักตนเองควบคุมจิตใจให้มันสงบให้มันนำงับรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาว่าเดี๋ยวนี้เราพร้อมที่จะมีสิ่งนี้หรืออย่างที่จะไม่เป็นทุกข์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเดนี้โลกจเจเิญก้าวหน้าไปจนถึง อวกาศเดียวนี้ประเทศอเมริกากำลังจะค้นคว้าขึ้นไปทาฟาร์มอยู่ดาวอังคารในขณะเดียวกันท่าอีสานของเรากำลังจะพัฒนาอีสานเขียวเรากำลังจะพัฒนาพื้นแผ่นดินอีสานให้มันเป็นแผ่นดินอีสานเขียวไม่ให้มันแห้งแล้งให้มันมีน้ำใช้ให้คนอีสานมีอยู่มีกินแต่ในขณะเดียวกันพวกฝรั่งอเมริกากาลังไฟฟันโครงการสตา์บอ โซงคามดวงดาวและก็กำลังจะมีการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจะสร้างซันมันขึ้นมาจะไปทำฟาร์มอยู่ดาวอังคารเดนี้เทคโนโลยีของเมืองฝรั่งไปไกลแต่ฝรั่งก็มีปัญหามากคือไม่มีความสุขฝรั่งมีความทุกข์เดนีเข า, ามาีไบโอเทคโนโลยีขอภัยาตมาผู้เป็นประสาบฝรัง่ง คือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตทเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่สามารถจะผลิตแบคทีเทรียเป็นตัวขึ้นมา <c oughs> เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีจะมาสร้างพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมาดินเค้มเขาก็จะคิดค้นด้วยคอมพิวเตอร์ไบโอเทคโนโลยีนี่คิดค้นหา พืชที่เหมาะสมกับดินเข้มดินแห้งแล้งก็จะมีพืชใหม่ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งอายุสั้นๆเี่นนก็พิจารณาไปถึงกับขนาว่าจะทำพืชพันใหม่ขึ้นไปปลูกดาวอังคารทหนทงหลายลองคิดดูเขาจะมีความสุขไหมแล้วต่อมาเขาก็มีโครงการทางเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าโครงการยีนติก อิ g i n e e น i n g ลิงเยดี s ิก g i อิ e เ i n g นินี่ขอพายพูดมันเป็นภาษภาฝรั่งอาจจะมาตั้งชื่อให้เอง ว, ว่าอิงเจอเนียาก้อม <c oughs> อิ g i จ e เนียาก้อมท่านทั้งหลายจะเป็นหัวรอเป็นอย่างน้อนอิ g i จ e เนียาก้อมนะท่านท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหมว่าสมัยคนโบราณเขาเรียกว่าหาก้อมบางคนเรียนคาถาวิชาหาก้อมนะท่น เอาเขียนไปเวลาณไปฝังลงในน้ําในท่าแล้วงัวควายใครมากินมันจะตายมันจะไม่กินหญ้ามันจะซึมกระทือกหรยกว่าเป็นหาก้อมกินค้อยกินค้อยกินงวแล้วคนที่เขียนคาถาที่ใส่คาถาหาก้อมนั้นก็จะไปรักษางูควายไปปัวด้วยยาของเขาแล้วเขาก็จะได้เงินเขาเรียกว่าวิชาหาก้อม เนีย่ยถำไมได้ยินคู่เท่าโหษแต่ก่อนโน่นแต่เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งกำลังจะมีอินเนียหากอมวิศวกรรมภาษาองังกฤษอินเนียแปลว่าวิศวกรรมวิศวกรรมผู้คิดคดผู้คนคิดกระทำขึ้นมายีนติกอินเจเนียริงยนติกนี่แปลว่าพันพันพัน ค้นหาพันธุ์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะสร้างคนพันธุ์ใหม่ขึ้นมาสร้างคนให้เกิดอยู่ในหลอดแก้วก็ได้โดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่ต่อไปนี้พวก g e n e t i c a engineer เนี่ยเขาก็คงจะต้องออกแบบออกอะไรต่อแอละมาคิดไปไกลกว่านั้นในเมื่อโลกมันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่มีศีลมีธรรมมันจเจริญถึงขนาด engineer หากกอมเนี่ยต่อไปทางวิชาการทางแพทย มันจะค้นพบแบคทีเรียอยู่ในห้องแล็บห้องค้นตรวจออกต่อไปมันจะเป็นห้องเรบราตอรี่คือห้องแล็บของทางการแพทย์ค้นแบคทีเรียใหม่ออกมาให้มันเป็นโรคเชื้อโรคใหม่แล้วก็ให้มันออกไประบาดกินคนด้วยในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะคิดยาแก้ไว้อย่างเสร็จสับเรียบร้อยอย่างนี้ พอออกไประบาดแล้วเขาก็จะไปรักษาโดยอย่างเขาแล้วมันจะร่ำรวยนี่มันจะเป็นมันจะเป็นยีดิทิกส n อินเจเนียริงคืออินเจเนียร์ฮา้อมวิศวกรรมฮากอมภาษาฝรั่งว่า g e n e t ิกส์อินเ e เนียริงมันมาเป็นภาษาไทยว่าพันวิศวกรรมศาพันทุกวิศวกรรมศาตร์ นี่มันมีขนาดนี้เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่อันหนึ่งละกำลังเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้โลกมีปัญหามากเพราะว่าเรากำลังสแสวงหาความสุขทางเทคโนโลยีเป็นอันว่าปัจจุบันนี้โลกนี้กำลังขาดแคลนความสุขเพราะเราพยายามที่จะพัฒนาวัตถุ เอาความโลภความโกรธความหลงไปเป็นข้อมูลไปเป็นที่มาของเทคโนโลยีบางทีแล้วก็ผลิตมาด้วยความโลภบางทีแล้วก็ผลิตมาด้วยความโกรธกลายมาเป็นอาวุธเข่นฆ่ากันเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าระหว่างประเทศมหาอำนาจ ใหญ่ๆทั้งรัสเซียทั้งอเมริกันนั้นมีหัวรบไม่น้อยกว่าห้าหมื่นหัวที่จ่อกันอยู่ถ้าอดโตเมื่อไรโลกนี้ก็จะพินาศเป็นผุยพงนี่ๆี่นี่นี่นทันใดล้ายลองคิดดูมันจะวิวัฒนาการหรือจะเป็นวินาศนาการ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอันเบิร์ตอน์สไตน์แกได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะตายเกี่ยวกับสินธรรมเกี่ยวกับศาสนักับวิทยาศาสตร์แกบอกว่า the world of the future depend on moral strength or depend on moral force โลกในอนาคตจะอยู่ได้โลกในอนาคตชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้นจะอยู่ที่ความแข็งแกร่ง ของศีลธรรมอยู่ที่อำนาจควบคุมของจริยธรรมคือถ้ามนุษย์ในยุคนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วโลกจะพินาศย่อยยับทันทีเรียกว่าโลกาวินาศนี่เห็นไหมล่ะท่านจะเถียงพระพุทธเจ้าไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างอันเบิร์ตไอน์สตน์คนที่สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพเจ้าของคนที่สร้างระเบิดปรมาณู คนแรกที่มาถล่มฮีโรยิมานาสัางนินั้นแกไม่ได้สร้างมาเพื่อฆ่าใครแกค้นพบเฉยๆแต่คนอื่นเอามาทำฆ่ากันเองและแกก็บอกไว้ด้วยว่าโลกในอนาคตชะตากรรมของโลกจะอยู่ได้สดชื่นยืนนานหรือจะพินาศย่อยยับแหลกแล้วด้วยอำนาจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นมันจะอยู่ที่การควบคุมแข็งแกร่งของศิลธรรมของจริยธรรม d e p e n d on moral force แกว่ายอย่างนี้ นแล้วแต่อำนาจของศีลธรรมศีลธรรมยังมีอยู่โลกก็จะสงบร่มเย็นแกก็พูดตรงกับพระพุทธเจ้าของเราเป๊ะที่พระองค์บอกว่าสุขโตวาพิกเวโรเกสุขตัตสวินโยวาติทัตตะหูชนาหิตายะภงชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษยานะั่งถราทำวินัยของเราตถาคตเราตถาคตก็ดีทำวินัยคาสั่งสอนของเรานี่ก็ดี ก็คือระบบสินธรรมจริยธรรมที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์พูดถึงเนี่ยยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อ น, นั้นความสงบร่มเยน็นของโลกของมนุษย์และเทวดาก็ยังอยู่เพียงนั้นเป็นอนว่าท้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาก็มองเห็นความสำคัญอันเดียวกันสินธรรมนี้เลยจะมาควบคุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าเราไม่มีสินธรรม ตายกันได้ทันทีที่สุดเดี๋ยวนี้มีปัญหามากเอาอามาขอเล่าให้ท่านฟังเป็นเกร็ดความรู้สกักเล็กน้อยย้อนหลังไปเมื่อปีพศสอง2ันห้ารอยี่สิบสองทางภาคเหนือของอเมริกาที่รัฐไคลร์าดโยมีภูเขาลูกหนึ่งก็เรียกว่าเขาซีเอนตรงนั้นเขามีสถานีาสัญญาณเตินภัยทางอากาศ ทางอากาศภาคพื้นแผ่นดินที่ใต้เขาสีเองเขาทําเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรคอยรับสัญญาณว่าถ้าหากรัสเซียยิงขีปนาวุธมาที่จะถล่มอเมริกาหรือถล่มโลกเซเีนี <c oughs> เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็จะแสดงสัญญาณแดงวาบวาบ ว, า บ, วาบขึ้นมาให้เห็นก่อนก่อนที่จะจะระเบิดดวงตามทั้งนี้ก็จะต้องยิงสวนกันขึ้นไปหรือมิฉะนั้นก็รีบขึ้นไปใช้เครื่องบิน บินขึนไปแล้วก็ยิงทําลายสกัดกัน้นกันอยู่ดีๆสัญญาณไฟแดงนี่ก็วาบวาบวาบขึ้นมาเอาแล้วสิทีนี้อ่าอเมริกันก็ส่งเครื่องบินทยานขึ้นสุดท้องฟ้าสี่ห้าลำพร้อมนั่งขี่ปานาบุตเตรียมยิงถล่มพอดีทีนี้เพื่อความแน่ใจอีกทีหนึ่งก็หมายเขาว่ามีสติสัมปชัญญะจริยธรรมศีลธรรมนั่นเองยังควบคุมอยู่ว่ามันมันแน่นอนแค่ไหนก็เช็คอีกทีหนึ่ง ปรากฏว่าเป็นเรื่องเลวไหลเทคโนโลยีมันเล่นไม่ซื่อซะแล้วคอมพิวเตอร์มันเล่นไม่ซื่อมันทํางานผิดพลาดนี่เห็นไหมละ่ะถ้าหากไม่มีสติไม่มีศีลธรรมยับยั้งใจถล่มไปเชื่อเทคโนโลยีอันเดียวเท่านั้นปานนี้อเมริกันก็คงถล่มรัดเสียย่อยยับรัดเสียเองก็อ้าวอเมริกาทําอะไรพวก็ยิงสวนขึ้นมาทีมันก็ตายกันไปแหละ ตายกันไปทั้งโลกเลยทนันนึหลายเดียวนี้ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วอาวุธในโลกแต่ก่อนปรมาณูกับดินนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ก็ดีทําลายมนุษย์ทรัพย์สินสัตว์ต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องพี่นาญย่อยยับแต่เดี๋ยวนี้เก่งกว่านั้นระเบิดนิวตรอนโดยไม่ต้องทําลายตึกรามบ้านช่องสิ่งไม่มีชีวิตชีวาอย่างหยกทาลายแต่มนุษย์ ยิงกัมาก็ไม่อากาศหายใจให้มันหมดไปกันนัง่งตายนอนตายเดินตายยืนตายทันทีอย่างนี้ <c oughs> ส่วนทรัพย์สมบัติอย่างอื่นยังมีอยู่เขาฆ่ากันอย่างปลาณีดโยถิ่นอย่างนี้เทคโนโลยีนี้เกิดมาจากพื้นฐานแห่งความโกรธกิเลสฝ่ายความโกรธส่วนความโลภเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้วิวัฒนาการขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราเรียก ว, ว่ายุคอวกาศ ยุคอาวากาศยุคเทคโนโลยีเนี่ยสแสดงถึงความเจริญอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาทานสาธุกชนตั้งหลายเมื่อสองสามปีมาบ้านเรานี่แหละแถวบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นปลากันเป็นแผลเบิกวะในน้ำนะตายไปแม้แต่พวกเตากันที่ปูปลาปลาไหลปลาหลดอยู่ในตมในโคนเป็นบาดเป็นแผลตายเราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีทับปัจิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอีมัตสงสติีทางโหติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอ่าสิ่งนี้จึงมีมัสปาทไทยทางปัจจติสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดนั้นคือฝีมือมนุษย์ไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเราแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ ทันสาธุชนทั้งหลายเมื่อคนไม่มีศีลมีธรรมพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาสนองความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จะอิ่มจกพอความโลภเพื่ออยากจะตักตวงความสุขความสะดวกสบายแล้วก็สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาปลูกพืชก็อยากจะได้ผลผลิตมากๆปลูกไม่น้อยอยากจะให้ได้ผลมากๆใส่ปุ๋ยใสอะไรมากๆเดี๋ยวนี้มนุษมากขึ้น ประเทศที่จเจริญแล้วอย่างอเมริกาเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียกด็ดีประเทศเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำลายป่าโค่นไม้ที่จะมาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมือนกับเราแต่ป่าไม้เขาก็ตายท่านนังไล้์ลองคิดดูเถอะฝนฟ้านับวันที่จะแห้งแล้งแต่บางแห่งนะปีนี้ฝนตกดีท่านนังไลายอย่าเพิ่งหลงดีใจนะไปหน้าหรือปีหนไปอาจจะแห้งแล้ง พ่อเดียวนี้บรรยากาศของโลกมีความร้อนสูงขึ้นช่วระยะเห้าปีมันจะขึ้นศูนหนึ่งจุดห้าเซนเซียสความร้อนของโลกในสูงขึ้นถ้าสิบปีมันจะขึ้นหนึง่งองศาเซนเซลสียอย่างนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ความร้อนในโลกสูงขึ้นผิดปกติมากเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นเนี่ย มันจะทําให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนถึงเวลาลมจะลมแรงเวลาฝนตกไม่เป็นที่เป็นทางดอกบางแห่งเคยแห้งแล้งฝนอาจจะตกบางแห่งฝนตกอาจจะแห้งแล้งไม่สม่ํำเสมอความร้อนสูงขึ้นบางแห่งอาจจะหนาลงความไม่เที่ยงมันแปรปรวนเพราะฝีมือของมนุษย์แล้วก็ใ้เอซิสเรนนี่นะคือฝนน้ํากรดเนี่ย ม, มันจะมีอนุภาพมาก ทำให้ป่าหายทะเลทรายทะเลสาบตายทะเลทร า, า ย, ายขยายกว้างสัตว์ป่าศูนพันภูเขาพังทลายแผ่นดินสุดอะไรต่างๆทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าป่าไม้มันอาศัยน้ำอาศัยอุณหภูมิในโลกนี่เมื่อกับคนมันเป็นสิ่งที่มีชีวิต เดี๋ยวนี้ป่าไม้ในประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมอย่างอเมริกาอย่างเยอรมันตะวันตกฝรั่งเศสอังกฤษก็ดีหรือในประเทศจีนก็ดีที่แคว้นเช้ชวนที่เขาใช้พลังงานเอฐานหินมากๆทำให้ป่าสนอยู่แถบแถบแคว้นเช้ชวนเนี่ยตายไปหมดเกือบตก้าสิบเปอร์เซนต์ยืนตายแห้งัน ประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมทางอเมริกาก็ดีทางยุโรปก็ดีต้นไมาตา้ตายเอาดื้อตายเอาดื้อเขาไม่ทราบสาเหตุว่ามันตายเพราะอะไรตอนลังมาเขารู้จักว่ามันเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เบียดเบียนธรรมชาติคุดเอาน้ํามันขุดเอาแก๊สมาเผาโรงงานอุตสาหกรรมควันท่อไอเสียอะไรต่างๆที่มันออกมาเหล่านี้มันก็ละลายขึ้นไปไป กลายเป็นคาร์บอนเป็นก๊าดกรก ร, กรมาทันถูกความชื้นอากาศกลายเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาทําให้ทะเลสาบตายคําว่าทะเลสาบตายนั้นไม่ใช่ว่ามันแห้งทะเลสาบก็คือหนองใหญ่จางหนองหานของเรานี่ก็เรียกว่าทะเลสาบเล็กภาษาฝรัง่งว่าเลกปลาพืชพันธุ์ธัญญาหารปลากุ้งหอยปูปลาเต่าที่อยู่ในทะเลสาบที่อยู่กับน้ำเจิดพวกนี้มันชอบน้ำเจิด แต่ในเอซิสโรเอนคือฝนน้ำกรดนั้นมันไม่ใช่น้ำจืดธรรมดาซะแล้วมันมีกรด ม, มีด่างมีลายอยู่ตรงนั้นมันไม่เหมือนน้ำเค็มส่วนปลาที่มันเคย อ, อยู่น้ำน้ำเค็มโอเคไม่มีปัญหาทีนี่ปลาที่อยู่ในน้ำจืด อ, อย่างในห้วยในน้องในคลองในบึงของเราเนี่ยมันก็จะได้รับอันตรายเต่าปูปลาจะทําให้ตัวมันเป็นโรคพยาธิเป็นบาดเป็นแผลเบื้องวะแม้แต่ปลาหลดปาลาไหลอยู่ในตมในคลนปูกวานขึ้นบน หอยเหยอะไรต่างๆกุ้ ง, งโอยพากันตายทะเลสาบตายคำว่าทะเลสาบตายนี่ไม่ชว่ว่าไอ้น้ำมันแห้งน้ำมันก็มีแต่ปูปลาสัตว์น้ำอยู่ในทะเลสาบเล้วน้ําตายไปศูนย์พันหมดไปอย่างที่ทะเลสาบคอสเวียน อ, อัตมาเคยขับรถไปกับสามรอยกิโลไปเที่ยวกับเพื่อนแ้่ไปเห็นปลารอยเป็นแผลบวบหั ก่อนนั้นนึกถึงว่าเอ้ป่าในทะเลสาบคัสเบียตเนี่ยเขาไม่ได้ปูพืชไม่ได้ฉีดยาโฟอเรดอยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมันเป็นเพราะอะไรเราไม่เข้าใจาเมื่อก่อนอ้าบ้านเขาในปลาก็เป็นแพลเบื้อวะตัวใหญ่ๆเป็นหมือนกันเป็นเหมือนกัน mm hmm. ที่นราเหยนโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี่ในสหรัฐอเมริกา น, นะทะเลสาบร้อยกว่าแห่งร้อยร้อยยี่สิบกว่าแห่งตายไปเสร็จ ในประเทศคนาดาทะเลสาบสองร้อยแห่งตายไปหมดแล้วแล้วก็ในประเทศทางกลุ่มอทางนี้ทางใกล้ใกล้ของอเมริกาทางกลุ่มสแกนดิเนเวียก็มีทะเลสาบตายไปเป็นพันๆทะเลสาบแล้วมาทางนี้ที่มันตายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีฝนฝนที่มันตกอยู่ธรรมดาเนี่ยแต่มันมีกดมีกดเรียกว่าเอซิสเรนันทำให ทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างทะเลทรายซาฮาราเนี่ยอดตมาเคยไปอยู่ห้าปีที่แอฟริกาตอเนเหนือแล้วก็นในในประเทศเหล่านี้แอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ก็มีประเทศที่อยู่ในพวกอั น, นิโกดวัวดำๆอย่างประเทศมาลีกานาโซมาเลซาซูดานลิเบียโด้วยพาทะเลทรายซาฮาราทางด้านประเทศมาลี ชื่อมารีเราแปลว่าดอกไม้แต่ตัวคนาเนตัวดำด ำ, ดำดำดำดำคือดินดำคือหมอดำพ่อปานทานแล้วแขกมารีเนี่ยเขาบอกว่าช่วระยะเวลา20ปีทะเลทรายซาฮาราแถบประเทศมาลีเนี่ยขายายคือต้นไม้ที่อยู่ริมๆนั้นมันตายออกไปตายออกไปตายออกไป20ปีตายไปตั้ง320กิโลเมตร โดยโดยรอบของมันในสามร้อยสิกิโลเมตรเนี่ยมันก็พอๆกันประมาณสักเท่าจังหวัดสกลนครเอาไปอุดรไปขอนแก่นนุ่นในช่วงระยะเวลายี่สิบปีท่าเลสายตายไม่มีใครไปตัดไปโค่นไปขุดไปถอนมันแต่มันตายตายเพราะอะไรมันตายเพราะเอซิสเเรนเพราะฝนน้ำกรดเหล่านี้ไอ้ฝนน้ำกรดเหล่านี้มีอนุภาพมากทาให้สัตว์ปาตายศูนย์พันนำไปเอามา แล้วมันยังมีอันตรายต่อตึกรามบ้านช่องพวกเล็กพวกหินปูนอะไรต่างๆมันเกาะกัดก้อนกันไปหมดทำให้ดินให้หินในภูเขานี่พูก่อนได้ง่ายภูเขาก็พังทลายต้นไม้ตายและแผ่นดินสุดภูเขาเกดแรนสไลด์อย่างกรณีบ้านกาทุนประเทศไทยของเราเมื่อปีที่แล้วนั่นก็เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ไปทาลายป่าฮักร้างท้งคง และฝนตกมามันก็เกิดนทางถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ฝนน้ำกรดไม่เป็นเอซิโตเลนแต่มันก็เป็นฝนที่มันทำลายแผ่นดินให้ซุบให้พังไปได้เนี่ยท่านสาธุช น, น, นายเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเจริญอำนวยความสะดวกสบายแต่มันไม่นำมาซึ่งความสุขในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากฝน นอกจากฝนน้ำกบทฝนเอซิเทรนทำให้ต้นไม้ตายทำให้ป่า้ายทะเลสาบตายปูปลาตามน้ำมันทากันตายแล้วก็ยังทำให้ทะเลทรายขยายกว้างคือป่าตายแล้วก็สัตว์ทั้งหลายตายเพราะด้ความร้อนในโลกสูงมากปัจจุบันนี้ช่วระยะช่วระยะสิบปีช่วระยะสิบปีมันจะขึ้นเป็นหนึ่งองศาเซนเซน ทำไมมันจึงร้อนมากก็เพราะเขตว่ามนุษย์ของเราได้พากันดูดเอากา๊าซเอาทานหินเอาน้ำมันอะไรมาแผดมาเผาพเพราะมื่ น, นั้นเราก็ยังได้สร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์โรงงานปฏิกรอเคมีอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีกฎแล้วมันก็ความร้อนสูงขึ้นเมื่อมันขับ เผาไม้เผาพานถอยเอสียเนี่ยเผาพานธุ์ออกไปจากถ้อยเอสียไปเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนเป็นกรรมถันทําให้อากาศความร้อนในโลกสูงขึ้นสูงขึ้นชั้นโอโซนคืออากาศบริสุทธิ์เราหายเกย์อยู่เนี่ยมันก็บางสูงขึ้นสูงขึ้ น, นอันนี้ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดโรคชนิดใหม่ขึ้นมาแปลก แล้วก็ตายเอาง่ายๆอย่างที่คนโบราณบอกว่าจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายละกัสิคอนคอนเขาสามโฮมโพสีอันนี้มีเรื่องที่จะพูดกันนานยาวแต่ไม่ทราบว่าเวลาเรายัมีพอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามักจะเคยได้ยินว่าประเทศต่างๆอย่างประเทศลาวประเทศขเขมรเมื่อประเทศเวียดนามเมื่อเกิดสงครามก็พากันอบพยพหลบหนีภัยแห่งความ เดือดร้อนเรียกว่าภัยสงคามบ้างภัยการเบืองบ้างพวกนี้เขาเรียกว่า r e ฟ u g e e s คือผู้อบพยพผู้อพยศทีนี้ถ้าหากมันเกิดแห่งแรงอดอยากอย่างประเทศเอธิโอเปียแล้วประชาชนก็จะพากันอบพยพจากแคว้นหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเมื่อกับพาะภาอีสานของเราก็อยู่ในลักษณะอบพยพโยกย้ายหนีภัยแห่งความแห้งแล้งอดอยาก พ อ, อดำนาะเสร็จหรือปีไหนะมันแห้งแล้งมากเราก็ไปนอนกันยึดตลาดมอชิตที่เอกาไมที่หัวลําโพงไปหางานทําเราถ้าจะพูดจริงๆโดยไม่อายเราก็บอกว่าพวกพี่น้องชาวอีสานเหล่าเหล่านี้ไปนอนให้ยุงกินอยู่ในตลาดมอชิตในหัวลำโพงนั่นคือพวกอ่ออพยพหนีภัยแห่งความแห้งแล้งอดอยากเพื่อไปหางานทําแต่ในประเทศที่จเจริญอย่างอเมริกาในยุโรป ก, ก็ดี เขาก็มีการอบพยพอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า environmental refugees หมายกว่าผู้อบพยพลี้ภัยแห่งความสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษคืออากาศเป็นพิษหายใจอืดอัดกระวนกับวายมันจะตายเอาให้ได้มันต้องเปิดนี้แล้วอยู่ไม่ได้อะไรพวกนี้อย่างความร้อนสูงขึ้นอย่างที่องวอรซิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกาแต่กว่าความร้อนเขาสูงประมาณถ้าสูงสุดอย่างสมุยสามสิบ ห้าองศาเซนซิสนี่เขาบอกว่ามันจะร้อนอยู่ประมาณสิบสองวันในปีหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันร้อนถึง80สิบกว่าวันน่ะเกือบสามเดือนทั้งความร้อนสูงขึ้นและกเวลาแห่งความร้อนยาวขึ้นมันมีความร้อนสูงสุดที่สุดในวันหนึ่งกับสี่สิบองศาแต่ว่าแต่ก่อนมันร้อนในรอบปีมันจะร้อนวันเดียวเดี๋ยวนี้มันร้อนทั้งสิบสองวัน คือทั้งความร้อนสูงแล้วก็เวลาก็ขยายออกไปทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเข้าโยกไม่ได้เขาต้องอบพะยพเรียกว่าผู้ลีภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นเพชรพิษที่ภาษาอังกฤษว่า environmental refugee นี่มีตัวอย่างมาแล้วที่ l ิ v Cannon ที่สาระฐอเมริกาแล้วก็ Savio ที่อิตาลีหลัง่างนั้นเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้น เราจะเห็นได้ว่าที่บ้านเราเมืองเรานี้ก็เหมือนกันความร้อนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อความร้อนสูงขึ้นนี่ทําให้ลมแรงอากาศแปรปรวนน้ําทะเลเพิ่มขึ้นบางแห่งฝนอาจจะตกเพิ่มมันเคยแห้งแล้งแต่มันอาจจะตกเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนอากาศแปรปรวนทาให้พัดเมฆฝนมาป่าทาตรงนู้นตรงนี้นี่อาจจะเป็นช่องมาตัวนี้ทําให้ฝนตกเอาง่ายๆอย่างอย่างอกุสุมานบ้านเราเนี่ย จังหวัดสกลนครเรามีอำเภอหนึ่งคือกุสุมาหอาตมาไปเทศเมื่อกี้นี่ก็ไปเทศอบรมอ่าอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรกรกรมอยู่ในโซนนูมีประกอบไปด้วยกุสุมาน์อำเภอเมืองพันนานีนคมโคกสีสุพรรณเต่างอยในกลุ่มนี้มารวมกันที่กุสุมาหและอีกกลุ่มหนึ่งอีกสิบเอ็ดอำเภอตั้งแต่กุดบากรันฟองดาวสว่างแดนดินวานนอนนิวาดบ้านโมง่งอากาศคําดากาวาริชาภูมิพังคน ฮือเจริญสินสว่างเนามารวมกันที่พังค์คนอาตมาก็ไปอบรมสองวันไปปาทกรถาบรรยายอบรมสองวันไปที่กุโซมานเวลาใดฝนมันตกในหน้าฝนเนี่ยไม่ไม่เคยแห้งแร ง, ท, ง, ท, ง, ท, งทั้งดั้งที่อำเภอกุโซมานเนี่ยมันไม่มีภูเขาไม่มีดงดอนอะไรต่างๆมีแต่โคกแต่ว่าน้ํา ม, มันไหลทั้งหมดนั้นเนี่ยมันฟุกมันฟุก ที่เรียกว่ามันเป็นร่องทําให้ลมที่ชนิดที่แปลปวนมากยิ่งมีความร้อนในโลกสูงความแปลปวนของอากาศแปลปวนของลมเนี่ยจะแรงตรงไหนมันมีช่องปะทะภูเขาทั้งนัด้วยมันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งพัดเข้ามาไปช่องนั้ น, าา น, นจะทําให้ฝนตกทําให้ฝนตกเนี่ยก็เลยเป็นดวงดีอีกอันหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ในเมื่อโลก ม, มีความร้อนสูงลมร้อนสูงมากกว่านี้อาจจะแปลปวนอาจจะอาจจะเปลี่ยนทางจากตรงนั้น แล้วไปตกที่อื่นลมอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนทางลมแรงอากาศแปรปวนบางแห่งปูกพืช อ, อาจจะได้ผลมากกลายมาเป็นได้ผล น, น้อยบางแห่งได้ผล น, น้อยกลายเป็นได้ผลมากบางทีที่เคยทํานาน้ําเคยท่วมอาจจะไม่ท่วมเลยอาจจะไม่ท่วมกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ตรงไหนน้าท่วมยังทุ่งน้องฟ้าน้อง่วกเลาะฝั่งแม่น้ําสงขามบ้านเราอย่างเงี้ย บ้านท่ากกแดงที่เคยน้ำท่วมท่วมอาจจะไม่ท่วมอีกเลยต่อไปอย่างนี้เพราะการแปรปรวนของอากาศความร้อนของโลกสูงขึ้นแต่บ้านแห่งน้้าไม่เคยท่วมอาจจะท่วมลักษณะเช่นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ในธรร ม, มิกสูตรเจตุกาินในบาอังคุตตรนิกาย ปัตยบดอกเล่มที่ยี่สิบเอข้อที่7จสิบหน้าที่เก้าสิบเป็นต้นไปพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายยามใดสมัยใดมนุษย์ในโลกนี้ไม่ประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมท่านเริ่มต้นมาตั้งแต่พระราชาคือสมัยก่อนโน้นมีการปกครองแบบราชาที่ปไตยโสบูรณายาสิทธิราริบิทิสโมนากิเอปซูรุสเนี่ยเข้มแข็งมากในสมัยพุทธเจ้าอินเดีย ชมบูรวิ่งเขาปกครองโดยระบบราชาที่ปัตตัยรุนแรงเข้มแข็ ง, ขงมีอำนาจเด็ชขาดมากมีน้อยที่ปกครองโดยสามัคคีธรรมพระองค์ก็เลยพูดในเรื่องราชาที่ปัตตยนี้แหละคำว่ า, าดูก่อนพิสุตังไลในสมัยใดพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมพ่อค้าวานิษฐ์พามณ์ข้าบดีก็ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพ่อค้าวานิษฐพาเมื่อฮาบอดีตั้งอยู่ในในธรรมแล้วเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนทั้งหลายทามทามมณิคมตั้งอยู่ในในธรรมแล้วเมื่อนั้นการโคจรอของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็สม่ําเสมอเมื่ออาทิตย์จันทร์โคจรสม่ําเสมอดาวนักษัตริย์ก็โคจรสม่ําเสมอเมื่อดาวนักษัตว์โคจรสม่ําเสมอเมื่อนั้น วันเวลาหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็สม่ำเสมอไม่ขาดเคลื่อนเมื่อไม่ขาดเคลื่อนสม่ำเสมอเมื่อนั้นลมก็ไม่แปรปรวนลมก็พัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอฝนฟ้าอากาศก็ตกต้องโอ้เมื่อลมพัดสม่ำเสมอเทวดาก็ปกติไม่กำเริบแล้วก็ทําให้ฝนตกต้องตามระดูกันเมื่อเทวดาไม่กำเริบเทวดาทําให้ฝนตกต้องตามระดูกัน เสร็จแล้วพืชพันธัญญาหารก็งอกงามอุดมเจริญเมื่อพืชพันธัญญาหารอุดมเจริญเพราะฝนฟ้าตกต้องดารูดูการลมไม่แปรปวนเทวดาไม่กำเริบแล้วเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขได้กินพืชพันธัญญาหารไม่เกิดโรคไข้ไข้เจ็บนี่พระองค์สรุปอย่างนี้วันโลกมันจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนมีธรรมอันนี้ สุดท้ายท่านก็สรุป ว, ว่าคุณนันเจตระมานานังอุชุงคัดสันติปุงขาโวสัพภาตาอุชุงคัตสติเนเตอุชุงคัตเตสติเอวเมวัมนุเซสุโยโฮติเซตัสมาโตโซเจธรรมิกังจราติปะเควอิตตาปะชาสัพพังละถังสุขังเซติราชาเจโฮติธรรมิโกนี่สูตรนี้ว่าอย่างนี้สรุป ว, ว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อฝูงโคหัวหน้าโคฝูงโคข้ามไปแล้วหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรงเมื่อลูกฝุ่งมันไปตรงตามหัวหน้ามันที่พาไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ผู้ที่ได้ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นรับทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งหลายก็ย่อมประสบความสุขเมื่อพระราชา ตั้งอยู่ในธรรมคำกล่าวนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมองค์เดียวพระองค์พูดเมื่อสอง0ัห้า้อยกว่าปีนู่นในขณะที่สังคมชมพูทวีปปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินเป็นส่วนมากแต่ทุกวันนี้มันจะต้องอมความไปถึงข้าราชการหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมูห่ตัดด้งแต่รัฐมนตรีทธิ บ, บดีกระทรวงทะบวงกลมหัวหน้ากลมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดหัวหน้าส่วน อะไรต่างๆของข้าราชการเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทีนี้พระองค์ก็พูดในทํานองตีกลับว่าดูกรพิจุสุทั้งหลายเมื่อในพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพระราชการเมืข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นคือหะบอดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพามคือฮะบอดีพ่อคาวา น, นิศคนร่ํารวยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนเหล่านี้ไม่อยู่ในธรรมเอาเปรียบคนจนชาวบ้าน ทั่วไปก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวบ้านไม่ตั้งอยู่ในธรรมเสร็จแล้วพระอาทิตย์ประจัก็โคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อที่ขจันโคจรไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ดาวนักสัตร์โคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวไม่สม่ำเสมอวันเวลากลางวันกลางคืนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็คาดเคลื่อนไม่สม่ำเสมอเมื่อวันเวลาไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็แปรปวนกับเรือ เมื่อรวมแปรบุญพัดแรงมั่งก็ไปทางไหนก็ไปเทวดาก็กำเริบเมืม่อเทวดากำเริบฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามระดูกาลตกก็ตกมากบังแหงบางที่ไม่เคยตกไปตกที่ต้องการตกไม่ตกหลังจากนั้นพืชพันธัญญาหารกอร่อผลิตออกผลเป็นลูกเป็นหมากไม่สม่ำเสมอไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายบริโภค พืชพันธัญยาหารที่ไม่สม่ำเสมอเช่นนั้นก็ทําให้เกิดโรคพยาธิอาพาทเบียดเบียนทําให้ผิวพันธุ์ไม่จำไสทําให้มีโรคมีพยาธิอายุก่อสั้นดูกรที่สุดทั้งหลายเมื่อฝูงโคทันกาอย่างนี้ข้ามไปแล้วหัวหน้าโคไปคดชิมหังคัจจติปุงคาโบนี่ลูกฝูงบริมาณมันก็ไปคดเหมือนกันสัพพาตาชิมหังคัจจติอุชุงชิมอา สิมหังคาเตสติบริวารทั้งหลายก็ย่อมไปไม่ตรงเหมือนกันไปคดเหมือนกันเอว่าเมว่ามนุษย์เสสุโยโฮติเ ศ, ศตาสมโตโสเจอะธรรมมังจรติปะเควะอิตราปรชาสพังละทังทุกขงังเฟติราชาเจโฮติอรรมิโกมนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติเป็นหัวหน้าหมู่ว่วหน้าคณะไม่ตั้งอยู่ในสินในธรรมเมื่อนั้น ประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ไม่ตั้งดูในธรรมรัดทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งหลายก็ประสบทุกเพราะหัวหน้าไม่ตั้งดูในธรรมอันนี้พระองค์พูดไวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าทำไมอากาศจึงแปลปรนจึงมีลมแรงทำไมความร้อนในโลกนี้จึงสูงขึ้นทำไมจึงเกิดฝน ที่เรียกว่าฝนน้ำกดตกลงมาให้ปูป่าเป็นพายาตายทะเลสาบตายเป็นพันพันทะเลแลว้วในโลกนี้ทะเลา้ายขยายกว้างป่าไมา้ไม่มีใครโค่นใครฆ่าก็ดตายแห้งกันไปเฉยเฉยอันนี้คือฝีมือของมนุษย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ได้ วิวัฒนาการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาคือวิทยาศาสตร์ผลผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีที่ใช้มาเพื่ออำนวยความสุขมนุษย์ปรารถนาความสุขจึงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่มนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงสร้างเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้แก่ความโลภให้แก่ความโกรธให้แก่ความหลง สาอํานวยความรู้ในระเบียบว่าเทคโนโลยีของเรานี่แบ่งออกมาเป็นสองส่วนที่เด่นที่สุดใันนี้ก็คือไบโอเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีดังที่อาจรมากล่าวไปแล้วเทคโนโลยี Technology เพื่อชีวิตจนสามารถสร้าง g e น e t ิ c อินเจเนอร์ลงคือวิศวกรรมหากอบขึ้นมาได้วิศวกรรมหากอบนี่แหละจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีแม้พูดแต่ภาษาฝรั่งมากไป เดียวยอมผู้ท้าวประสิทธ์ดาวเอยเจ้าขุนบอกอีกยังดอกไวทันมันพูดไปจังสี่ได้บาทนี่ภาษามันนองผู้ใหญ่ไม่ใหญ่น้อเอาทีนี้มีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่เรว่าไมโครอิเล็กทริกเทคโนโลยีพวกนี้ก็เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆพวกนี้มาอำนวยความสะดวกสบายพวกไบโอเทคโนโลยีคือวิศวกรรมฮาก์อกรมนิิกอินเจเนอเริงพวกนี้สร้างขึ้นมาด้วยความรอบ ความโลภสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างไบโอคือสร้างแบคทีเรียเชื้อพันธุ์หม่จะมาพัฒนาพืชพันธัญญาหาร ปลูกในทะเลซ้ายก็ได้ค้นให้พบปลูกในดินเค็มก็ได้จนจะไปปลูกไว้ในดาวอังคารพร้อมกันนั้นไบโอเทคโนโลยีเนี่ยยังสามารถค้นคว้าที่จะสร้างให้มนุษย์เกิดมาในหลอดแก้วก็ได้จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาจะเป็นนักรบต้องสร้างพันธุ์นักรบให้มันเกง่งจะเป็นมนุษย์หลุมงามก็สร้างเอาไห้จะเป็นมนุษย์ยังไงให้แข็งแรงในการทํางานนักเขาจะสร้างขึ้นมาได้ต่อมาเขาจะสร้างเป็นธนาคาร ธนาคารตับธนาคารไตธนาคารพุงธนาคารปอดธนาคารไหวสารพัดอย่างอันนี้แหละเขาจะมีห้องแล็บอีกอันหนึ่งอาตมาจึงเป็นห่วงที่สุดว่าไบโอเทคโนโลยี ology, พวกจเนติกส์จเนติกส์อ่าเนจิเนียริ่งพวกวิศวกรรมห้าข้อแล้วมันจะเกิดมา ก, กินหัวเฮาบาทเนียเพราะว่าสร้างมาด้วยความโลกถ้าเกิดหมอสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้มาได้มีตับ มีธนาคารตับธนาคารไตคนเป็นโรคตับจะเปลี่ยนตับใหม่ได้เปลี่ยนไตใหม่ได้ที่นี่คนโง่โง่ซื้อบื้อไปไม่มีเงินมีทองเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปไปหาเจ็บท้องน่อยเดียวโอ้ยไตยเจ้ามาเล้งกินแล้วว่าสัตบัตต้องตัดไตเปลี่ยนใหม่ก็แต่มาเล้งโลงตับตัดถิ่มซะเปลี่ยนตับใหม่ทั้งทั้งที่ตับเราดีๆไตเราดีๆเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาก็เลยตกลงให้เขาตัดเขาก็ตัดเอาตับเราไปไว้ในธนาคารไปไว้เป็นอะไรไว้ขายให้คนรวยแล้วก็เอาตับเฮงซวยใส่ให้เราอันนี้เปนยังแล้วสิเกิดขึ้นบานเนี่ยความสุขของโลกดีค่ะเลยยากมากที่สุดพ่อหญ่ไม่ใหญ่เลยนับวันแล้วเสิยดคอนคอนเขา่าสามห่มโผสีที่นี้พวกเทคโนโลยีประเภทที่เอื้ออํานวยความสุขไมโครอิเล็กทริกให้ขยายขอบเขตความสามารถทางตาทางหูทางจมูกอย่างพวก คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้พลังงานนิวเคลียร์ก็ดีปฏิกรเคมีต่างๆก็ดีสร้างขึ้นมาโว้ยทีนี้เป็นปัญหาที่สดเห็นไหมล่ะเมื่อพศออ2527ที่ผ่านมานั่นโรงงานปฏิกรเคมีแก๊สที่เมืองโบปานประเทศอินเดียบริษัทยูเนียนคาร์บายของประเทศออฟริกันทำรั่ว พ้า อ, อยู่ดีๆมันเกิดกัมมันตภาพรังสีรังไลโอามาตายทันที 2, สองพันศพอีกเจ็ดแปดพันศพอีกเจ็ดแปดพันคนเขา้าโรงพยาบาลงิกงอโอ้ยตาบอดตาจาวกันโอยสมเพศเวทนานี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจนปันปวนไปทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำทําให้ทะเลทะเลสาบตายทะเลซรายหดแห้งเข้าไปขยายออกมาแล้วเราจะเอาอย่างไง ต่อมา 2,529 ข่าวดังที่สุดโรงงานพลังงานนิวเคลียสโนโบินของประเทศโซเวียตไกลจากมอสโกและเบิดตุ้มขึ้นมากำมันตภาพลังสีพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สูงถึงห้าร้อยกิโลเมตรหลังจากนั้นก็มีกำมันดภาพลังสีแผ่ไปตั้งพันหกร้อยกิโลเมตรโดยรอบต้องย้ายประชาชนไอ้นิวเคลียร์นี่ไปถูกแล้วมันจะตายได้อย่างง่ายๆโอ้ยเป็นมหันตภัยอุบัติภัยที่ยิ่งใหญ่ดังที่สุดในโลกสิ่งเหล่านี้ เมื่อมันล่วนแล้วมันก็รวมกันไปเป็นเมฆเป็นฝนลงไปกลายเป็นเอซิสเลนเป็นฝนน้นํากดตกลงมาให้ต้นไม้ตายตกลงมาใส่ตึกลามบ้านช่องผูพังได้ง่ายๆเอาไปเอามาเอาแล้วปลูกต้นไม้ต้นลาก็ไม่ค่อยงามถึงไม่ตายก็ไม่งามลงไปสู่ดินสู่หญ้าสู่น้ําทําให้ปลาตายเป็นบาดเป็นแผลทั้งหมดนี้เกิดมาจากความโลภ ส่วนพลังงานนิวเคลียร์จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีระเบิดนิวตนันนิวตันไม่ต้องทำลายกันไม่ต้องทำลายตึกรามบ้านช่องแต่ทำลายชีวิตคนโกดตูมลงไปไม่อากาศบ่มีลมหายใจตายสับตายแต่คนแต่สั์ตึกรามบ้านช่องรถลายยังอยู่นี่ละเอียดถึงขนาดนี้คือฝีมือของมนุษย์สมัยเทคโนโลยียังไว้ใจไม่ได้อีกทีนี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทย เกิดมาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเรากําลังมีปัญหาด้วยเทคโนโลยีก็ดีเรามีความอยากคนผลิตเทคโนโลยีผลิตมาด้วยความโลภเพื่อแสวงหาประโยชน์ผลิตมาเพื่อความโกรธเพื่อจะมาสร้างเท้นฆ่ากันสร้างขี้ปนาวุธมาทำลายกันผลิตมาด้วยความรุ่มหลงใช้เทคโนโลยีด้วยความลุ่มหลงในที่สุดไม่มีสติรอบครอบในการสร้างเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีนั้น มนุษย์ไม่พัฒนาสติปัญญาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดผิดพลาดพลั้งเผลอในการปฏิบัติการโอเปเรชั่นโอเปเรเตอร์ตายได้ง่ายๆกะสวยอาวากาศเชเลนเจอร์ของสหรัฐยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าใช้เวลาหนึ่งนาทีกับสิบสามวินาทีแล้วเบริร์ตูม้มตายกันทั้งหมดนั้นคือเทคโนโลยีสูงไฮเทค แต่บุคคลพลาดพลั้งประมาทไม่มีสติสัมปชัญญะเท่าเทียมกับเทคโนโลยีใหม่ใเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงที่สุดคนผลิตก็ผลิตขึ้นมาด้วยความโลภความโกรธความหลงคนใช้ก็ใช้ด้วยความโลภความโกรธความหลงพวกเราก็ยากได้ด้วยความโลภด้วยความโกรธความหลงก็เลยเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขเดี๋ยวนี้โทรทัศน์สีดูแลสนุกสนานถ้าใครเคยมีโทรทัศน์ขาวดำ เป็นทุกข์ถ้าไม่มีโทรทัศน์สีไฟฟ้าดับหน่อยก็เป็นทุกข์แต่ก่อนกระ บ, บอกมอดเขิกกระแฟใต้บ่เป็นหยัง่งลักษณะเช่นนี้คนสมัยนี้มีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากทั้งๆที่สะดวกสบายมีรถมีเรือน้ําไรลเฟรนต์ว่างแต่ชิตใจมันกัดกุ้มวุ่นวายนับวันความสุขจะเสือดหายไปจากไกลมีแต่ความทุกข์กัดกุ้มเป็นโรคประสาทโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจมากขึ้นทําไมจะเป็นโรคหัวใจมาก โลกความดันสูงโลกภาษาสูงเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้กําลังอ้างว้างว้าเหวแม้จะคับข้างลังไล่ไปด้วยผู้คนในโรงงานในที่ทํางานแต่จิตใจมันเห็นแก่ตัวมันจึงอ้างว้างว้าเหวเหมือนอยู่คนเดียวเต็มไปด้วยความแย่งเต็ไมไปด้วยการแข่งขันซึ่งกันและกันจิตใจจึงว้าเหวอ้างวางในที่สุดก็กลัดกุ้มตึงเครียดแต่ไม่หัวใจนี่เป็นโลกมากขึ้นมากขึ้นทั้งหมดนั้นคือการขาดสิน ขาดสมาธิขาดปัญญาความสุขไม่มีจะหากไม่มีศิลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเอาศิลเอาสมาธิปัญญาพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามาควบคุมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาประเทศไทยที่ทํำยังไม่เป็นแต่มีความอยากได้มันก็เป็นนี่เป็นศิลยกตัวอย่างง่ายๆค่าเงินของเราก็ถูกลายได้ก่อตั้ม เซ็แนแล้วของที่ส่งมามาให้เราซื้อเขาส่งมาขายด้วยราคาแพงหวังกอบโกยกําไรเราอยากได้ไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไม่ไมันไม่มีสมาธิทําให้จิตใจหวันไหวในความอยากได้ในที่สุด ก, ก็ต้องเป็นหนี้เขาด้วยเงินดาวกันอะไรเราก็เป็นทุกข์เป็นโรคประสาทเป็นโรคสามองเป็นโรคหัวใจยกตัวอย่างง่ายๆรถยนต์ยี่ห้อดีๆเอายี่ห้อดีๆอย่างสูงทําในประเทศญี่ปุ่นส่งไปขายอเมริกา คันละสามแสนสามมื่นบาทถ้าส่งมาขายในประเทศไทยคันหนึ่งหกแสนบาทที่นี่รายได้ในอเมริกากับรายได้ในประเทศไทยพิสกันรายได้อย่างต่าสุดกรรมกรในอเมริกาวันละเจ็ดร้อยบาทรายได้ต่าสุดกรรมกรในประเทศไทยห้าจังหวัดใกล้กรุงเทพบามุตปาการนนบุรีแถบนี้รายได้เจ็ดสิบแปดบาทแต่รายได้จ้างดำนานในบ้านแพทย์ในคำตะก้าคำวานอนเนี่ยวันละสาสิบบาท วันละสามสิบาทกับรายได้วันละเจ็ดร้อยบาทมันห่างไกลกันราคาที่จะซื้อเขาซื้อคันละสามแสนเราต้องซื้อคันละหกแสนถ้าหากเราจะเก็บเงินวันละสิเปอร์เซนของรายได้วันละสามสิบหรือว่าวันละเจ็ดสิบเราจะต้องใช้เวลาหาเงินสามสิบกว่าปียิงจะซื้อรถอย่างนั้นได้แต่ในอเมริกาถ้าเขาใช้เงินเดือนเขาซื้อ ก็ปีหนึ่งเขาก็ซื้อได้สามแสนเขาใช้เงินเดือนอย่างตั้มที่สุดของกรรมกรปีกว่าๆเขาก็ซื้อได้แต่พวกเราสามสิบกว่าปีก็ยังไม่ได้แต่เราอยากได้แล้วก็ขายไร่ขายนาเอาเงินไปจำงธนาคารมาดาวหลังจากดาวแล้วก็หาเรื่องที่จะกรอบเจะโกยทํายังไงจะได้เงินมาเป็นค่าผ่อนค่าส่งอย่างนี้เจ้าหน้าที่มีเงินเดือนน้อยๆไม่พอที่จะผ่อนส่งแต่ต้องหาวิธีอื่นลักษณะเช่นนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทของพวก ที่สร้างขึ้นมาด้วยความโลภคนอยากได้ก็อยากได้ด้วยความโลภใช้ก็ใช้ด้วยความโลภในขณะที่น้ำมันเบนซินในอเมริกาลิตรละห้าบาทในเมืองไทยฟาดก็ไปตั้งเจดบาทแปดบาทอย่างนี้มันผิดกันตู้เย็นยี่ห้อดีที่สุดในอเมริกายี่ห้อ G.E. ราคาสามหมื่นสามพันบาทมาขายในเมืองไทยราคาแสนบาทถ้าหลายลองคิดดู ทั้งราคาค่าขนสง่งทั้งราคาค่าความโลภค่าภาษีค่ากําไรเนี่ยนะโลภมากๆรวมแล้วเป็นแสนเป็นแสนรายได้คนในอเมริกาเนี่ยเขาสามารถซื้อได้เพราะว่ารายได้เขาอย่างต่ําวันละเจ็ดร้อยบาทรายได้อย่างต่ําแถบสกลนครรายได้กรรมกรค่าจ้างดํานาเกี่ยวข้าววันละสามสิบาทโอ้เดือนหนึ่งได้เก้าร้อยบาทย่ำได้จริงๆหาเงินแสนได้ไปสื่อ แต่เราก็หาซื้อจนได้เนี่ยความอยากได้โทรทัศนัก็ดีพัดลมก็ดีเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ดีมันมีปัญหาที่สุดเขาผลิตมาด้วยความโลภเพื่อสนองความโลภของผู้ที่มีความโลภเขาผลิตมาด้วยความโกรธเพื่อสนองความโกรธอย่างเขาผลิตอาวุธอาการ์เอ็มสิบหกหรือเครื่องบินมิ ก, มก 12f14f15f16 ขึ12 F 14, F 15, F 16, ้นมาเขาผลิตมาด้วยความโกรธเพื่อสนองกก่ความโกรธประเทศไทยก็ดีประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก็ดีต้องตัดงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีจะมาไปซื้อเครื่องบินไปซื้อเอ็กซเโวเสซื้ออะไรมาเขียนค่ากันมาคิดดูแล้วโลกนี้กำลงังเต็มไปด้วยปัญหา น, านานาประการประเทศอุตสาหกรรมที่ที่มีการผลิตนะกับประเทศเกษตรเนี่ยมีปัญหา จากเทคโนโลยีพอๆกันประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตอย่างโรงงานพลังงานนิวเคลีย